อันนี้นหละเป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางตรงการปฏิบัติธรรมเนี่ยถืว่าเป็นทางตรงของความดับทุกเป็นการปฏิบัติที่ใช้การฝึกเจิญสตินำาพาไปต้บสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาการเจริญสติเนี่ยมันง่ายๆที่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะสติเนี่ยเรามีอยู่แล้วกับทุกทุกคน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 ย่อมดีขึ้นทุกวันสุวจะดีอย่างไรขนาดไหนนั้นคอยให้เราฝึกฝนอยู่เสมอเสมอ